พ้อมยังหลวงพ่อมาเทศของอริยะเจต์นับหลายครั้งแล้วยังดูไม่ออกว่าพวกเราเป็นอริยะบาย้างยังธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะฟังแล้วต้องปฏิบัติฟังแล้วเราก็จำไว้เข้าสมองมันไม่เข้าใจธรรมะจะเข้าใจได้ถึงสู้กิเลสได้กิเลสมอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ในสมองแร้ว นันเมื่อฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติสิ่งที่พวกเราต้องทำพระพุทธเจ้าท่านก็วางกรอบไว้ให้พวกเราละวบอกให้ละความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ฟ่องแพ้วมีงานหลายอย่างที่ต้องทาความชั่วที่เราต้องละถ้าพูดไปมันก็ครอบคลุมหมดเลยความชั่วมันก็ทางกายทางวาจาทางใจถ้าละได้หมดกุศลมันก็ถึงพร้อมใจมันก็ฟ่องแพร แต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นขั้นๆไปไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดนิ่งเบอร์ตอนอ้นจะลาความชั่วให้หมดมันลาไม่ไหวก็ลาห้าข้อแค่สี่ห้านั่นแหละพวกเราถือสีนได้ดีหรื อ, อยังใครยังไม่ดียกมือซีขอชมหน่อยโอ้เยอะขนาดนี้ข้อไหนข้อไหนข้อหนึ่งไปฆ่าใครข้อสามข้อสี่ เอาข้อสี่นะข้อสามถ้าไปผิดมาไม่ค่อยกล้าบอกอะป็นข้อสี่กล้าบอกสินมันห้าข้อเท่านั้นเองเป็นการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้มันเรียบร้อยไม่ไปทำชั่วทางกายทางวาจาไม่ไปลุกลานคนอื่นเนีย่ยเราตั้งอกตั้งใจงดเว้นการทำชั่วพวกนี้ซะไม่รังแก คนอื่นไม่รังแกสัตว์อื่นไม่ชอบโกร ก, กรักขโมยใครไม่เพ้อพิผิดในกรรมไม่โกหกหลอกลวงนะส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อก็ไม่กินเหล้าเมายาทำให้ตัวเองขาดสติถ้าเราตั้งใจรักษาศี่หข้อเราก็ลดความชั่วไปได้5้าอย่างละเวลาเราลดความชั่วไปเราก็มาพัฒนาความดีขึ้นมา มันมีความดีเป็นคู่คู่กันอย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นคุณงามความดีที่เราจะพัฒนาขึ้นมาได้ง่ายคือเรื่องของความเมตตากรุณาคนที่ทาร้ายคนอื่นสัตว์อื่นเรื่อยๆใจมันยิ่งกระด้างตอนแรกก็ทำร้ายสัตว์เล็กๆก่อนต่อไปก็สัตว์ตัวใหญ่ขึ้นทำร้ายคนคนหนึ่งได้ต่อไปก็ทำร้ายคนหลายคนได้ค่อยๆสะสม แต่ว่าพอเรางดเบ้นนะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสัตว์อื่นพอมันคุ้นเคยแล้วเนี่ยใจมันจะค่อยๆพัฒนานะเราก็ค่อยๆฝึกใจของเราให้มันมีความเมตตากรุณามองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนโบราณเก่งนะมีคําอยู่คำหนึ่งคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ทั้งความเมตตากรุณามันก็จะเกิดขึ้น ทุกวันนี้เราไม่เมตตาคนอื่นเพราะว่าเราเอาตัวเราไปวัดคนอื่นถ้าเขาทำผิดมาตรฐานเรานะเราก็ไม่ชอบละแต่ถ้าเรากลับคันเรามองทำไมเขาทำอย่างนั้นมองจากเหตุผลของเขาบางทีเราก็รู้ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ทำชั่วเหมือนกัน ใ, นใจมันจะค่อยๆเข้าใจนะมันจะไม่อาฆาตพยาบาททุวันนี้โทรศัพท์มันเต็มบ้านเต็มเมือง มีแต่เรื่องต่อสู้แย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งในบ้านพี่น้องก็แย่งสมบัติแย่งประดดกอะไรกันวุ่นวายหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้จักมีความเมตตาต่อกันเนี่ยความชั่วเราก็ละซะไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายสัตว์อื่นทําความดีจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาการุณาคือความเห็นอกเห็นใจเนะีเวลาใครเขาตกทุกข์ได้ยากอยากช่วยอยากให้เขาพ้นทุกขนะ์อย่างเงี้ยหรือเรา ไม่ทำชั่วหรือการไม่โกงใครไม่ลักทรัพย์ใครไม่หลอกลวงช่อชนเอาสมบัติเขาอะไรละความชั่วอันนี้ไปแล้วต่อไปเราทำความดีให้มากขึ้นแทนที่ว่าจะคิดเอาของเขาถ้าเรามีส่วนเกินเราก็ให้นคนอื่นให้กับสิ่งอื่นได้สัตว์อื่นหรือบางคนก็ให้กับสังคมอเราทำบางทีเราก็ไปทาให้กับสังคมอย่างที่นี่จัดแสดงธรรมนี่ก็เป็นการให้กับสังคม ในการทําทานกับสังคมหรือถ้าเรามีศีลข้อสามเราไม่ประพฤติผิดใ น, นกรรมอะไรเนี้ยเราจะได้ธรรมะที่ดีง่ายธรรมะข้อนั้นคือเรื่องของความสนโดดไม่บ้า ก, กรรมพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วถ้าเรามีศีลข้อสนีะ่ธรรมะที่มันจะตามมาง่ายคือสัจจะเป็นคนมีสัจจะถ้ามีสัจจะเครดิตเราจะดีขึ้นนะเราพูดอะไรคนเขก็เชื่อแล้วละ่ะถ้าเราไม่มีสัจจะ พูดไรก็ไม่มีเครดิตถ้าเรามีศีลข้อ5เราจะได้สติสัมปชัญญะง่ายเรี่อศีลกธรรมมันเป็นของคู่กันนะศีลละงดเว้นไม่ทำชั่วทำนะทาให้เจริญกุศลเจริญขึ้นมาเบื้องต้นเราอย่างละห้ข้อก็พอแล้วละแล้วก็มาค่อยๆมาข้อสุดท้ายที่เราจะต้องทำคือการพัฒนาใจให้สะอาดหมดจด เนี่กรอบการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเย็นนักหนานะพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับลาดับไปการจะพัฒนาใจเข้าสู่ความสะอาดหมดจดนั้นเรามีงาน2 ง, งานงานพัฒนาใจเนียงานที่หนึ่งเรียกว่าสมถากรมฐานงานที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถากรมฐานนมาพัฒนาใจซึ่งมันฟุง้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบฝึกให้มันมีความสุขมีความสงบขึ้นมา อาจิตใจมีความสุขมีความสงบนามันชีวิตมันดีมันไม่วุ่นวายทุกวันนี้เราไม่มีความสุขความสงบจริงเราวิ่งหาความสุขจากของข้างนอกนเราวิ่งหาความสุขอย่างเช่นต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อ น, นถ้าไม่ได้ไปก็เล่นไลน์เล่นแชทอะไรนะเนี่ยต้าหาความเพลิดเพลินออกข้างนอกไปหมดเลย การที่หาความสุขด้วยการอิงอาศัยคนอื่นอิง อ, อาศัยสิ่งอื่นทำให้เราเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทำไมเราไม่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวของเราเองอยู่คนเดียวมีความสุขไม่ได้หรือถ้าเรารู้จักพัฒนาใจนะทำสมาธิกรรมฐานเป็นมันมีความสุขมากเลยเนี่ยหลวงพ่อสอนพระนะพระเข้าไปเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนไ ด, ไ, ดได้ว่าพระต้องหาทาสมาธินี่ยังาวัดนะทํา ย, ยากอ่ะแต่พระต้องทา กระวาดยังมีการมาสุขสุขจากการกินการฟังการดูนะสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวสุขอย่างนอนสุขอย่างนี้แต่อย่างนักบวชอย่างพระไม่มีอะไรเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากสบายไม่ได้สบายนะอยากได้ของร้อนได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอะไรเนี้ย <นะ S 1> ชีวิตจะเป็นอย่างนั้นบอกว่าถ้าเราทำสมาธินะทรงฌานได้แล้วก็แล้วมีความสุข เราจะรู้เลยว่าความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาดิ้นรนสแสวงหาเนี่ยเล็กน้อยมากเลยเหมือนเด็กเล่นทรายเล่นดินเหมือนนอนกินอุจจระเท่านั้นเองเนี่ยความสุขที่พวกเราเสพกันแล้วแย่งชิงกันมากมายนะในสายตาของคนที่มีสมาธิขึ้นมามีความสงบสุขอยู่ในใจของตัวเองได้นะมันไร้สารามากเลยอย่างแย่งผู้หญิงกันสักคนแล้วฆ่ากันตายอะไรเนี่ยเรื่องไร้สาราอย่างยิ่งเลยเราคิดว่าต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุข มันได้มาจริงๆนะสักพักเดียวก็เบื่อแล้วก็อยากให้มันไปๆมันไม่ยอมไปแล้วคราวนี้ยิ่งแย่ใหญนะ่ความสุขในโลกนะมันเป็นของหลอกๆเท่านั้นเองถามว่ามีไม่มีแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาถ้าเรามีความสุขจากการที่เราฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสงบขึ้นมานะเป็นความสุขที่เราไม่ต้องซื้อนะไม่เสียสตังค์ไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องง้อใครมันเป็นตัวของตัวเอง วิธีที่จะฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบแบบนี้นะก็ไม่ใช่ยากอะไรเราทําใจให้สบายก่อนนะแลเราใช้ใจที่สบายเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่สบายเราต้องดูตัวเองว่าอารมณ์อะไรทําให้ใจเราสบายอย่างบางคนท่องพุโทโธพุโทโธแล้วสบายใจก็ใช้พุโทโธเป็นอารมณ์บางคนก็ใช้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ บางคนเดินจงกรมแล้วสบายใจทั้งไปเดินจงกรมทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดหรอกมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะอะไรที่สมควรแก่เราเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเรื่องมีสัมผัชัญญะนะรู้จากแยกแยะว่าอะไรสมควรแก่เราเป็นประโยชน์กับเราสมควรแก่เราเราก็ทำอันนั้นต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจเรามีความสงบสุขนะ เราก็อยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆ บ, บางคนชอบเลี้ยงปลานะไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาในแม่น้ํานะไม่ใช่ปลาตู้นะเลี้ยงปลาตู้เป็นบาปนะเลี้ยงปลาในแม่น้ําลําคลองอะไรเงี้ยให้ทานอาหารสัตว์เราให้มันกินใช่เรามีความสุขอ่ใจเราเบิกบานมีความสุขปลามันได้กินมันก็มีความสุข เนี่ยพอใจเราเคล้าเคลียกับอารมณ์ที่มีความสุขนะใจเราสบายสมาธิมันจะเกิดง่ายๆเลยหรือบางทีบางคนเนี่ยถือศี น, นตั้งใจรักษาศีนเนี่ยเข้าพรรษาจะไม่กินเหล้ารักษาข้อเดียวบอกเข้าพรรษาจะไม่กินเหล้าถามว่าดีไหมดีแต่ดีข้อเดียวนะก็ดีกว่าไม่มีสักข้อนะได้สักข้อหนึ่งก็ยังดีแหล ะ, ะถ้าขาดหมด5ข้อก็อแย่เลยพอตั้งใจว่าเข้าพรรษาไม่กินเหล้านะก็อยู่มาได้เรื่อยๆนะจนครบ 3เดือนนะครอบสมเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระดีกระดาลีบไปกินเหล้านะไอ้อย่างนั้นเลวไหลเลยนะไม่ได้เรื่องเลยแทนที่เราจะรีบกระดีกระดาลไปกินเหล้านะเรามาะระลึกถึงเราจะไม่กินต่อเรามานึกถึงว่าเนี่ยสามเดือนเนียเราอดเหล้าไดนะ้ใจมันอิ่มเบิบนะเวลาเรารักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนึกถึงแล้วใจจะมีความสุขถ้าใจจะมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลย จิตมันจะมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองน ะ, ะสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชอยู่ในสำนักองค์ไหนจําไม่ได้ล้อยู่กับผู้เจ้าเป่าก็ไม่รู้นะจําไม่ได้ะท่านบวชแล้วก็รุ่นเดียวกันนะเป็นพระอรหันต์บ้างพระนาคาบ้างเลยท่านเป็นบุตุชนทําไงก็ภาวนาไม่ขึ้นเลยะใจไม่เคยสงบจริงเลยนี้วันหนึ่งท่านก็เสียใจมากเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองห้ามเรียนแบบนั่นนี่นะ ท่านปาดคอเรายัางไม่ทันตายพอปาดคอเสร็จแล้วท่านก็เกิดระลึกขึ้นได้เหลือเวลาอีกนิดเดียวจะตายละระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรามาบวชทั้งทีไม่มีอะไรดีเลยเหรอไม่ใช่หรอกตั้งแต่มาบวชนี่นะตั้งใจถือศีลมาตลอดเลยศีลไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยว่าท่านพระอื่นๆก็ไม่เคยว่าท่านท่านก็ไม่เคยตําหนิตัวเองได้ว่าผิดศีลพอท่านคิดว่าท่านถือศีลมาดีนะใจท่านอิม่มเอิบมีสมาธิเกิดขึ้นแล้ว สมาธิเกิดขึ้นแล้วใจมีความสุขนะถ้าใจตั้งมั่นเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูสุดท้ายท่านบนรรลุพระอราหันต์ในขณะที่ตายะเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะพวกเราปาดคงตายเปล่าๆนะเ <c oughs> พราะอะไรยังไม่มีศีลให้ระลึกเลยยพอปาดปุ๊บแล้วก็ระลึกไหนถือศีลข้อไหนไม่มีสักข้อเลยเนี่ย <c oughs> ตายตายเปล่าๆ เ, เ, เลยนะ <c oughs> ใช้ไม่ได้อนะ เนี่ยถ้าเรารู้จักนะเราเรารึกถึงอะไรแล้วเรามีความสุขสมาธิมันจะเกิดง่ายเราลึกถึงที่ดีๆนะถ้าเรารึกถึงสิ่งเลวๆไม่ไม่สงบสุขหรอกอย่างเราเรารึกถึงพระเจ้าอยู่หัวเราเรารึกถึงสมเด็จพระเทพอะไรเนี่ยท่านทําอะไรก็ดูน่ารักน่าดูไปหมดไงอย่างพระเทพอ่ะนะท่านไปเดินช้อปปิ้งก็น่ารักใช่ไหมอย่างเราเดินช้อปปิง้งไม่ใครสนใจหรอกนะแต่อย่างท่านใช่ไหมท่านว่างๆท่านก็ไปเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยคนเห็นคนก็ปลื้มใจ คนมีบุญอ่ะมีบุญบารมีอ่ะเนี่ยเรานึกถึงคนที่ดีๆนะพอเรานึกถึงคนที่ดีเลยใจมีความสุขใชจมีความสุขใจก็มีความสงบเคล็ดลับที่ใจเราจะสงบนะอยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าเมื่อไรมีความสุขความสงบจะตามหลังมานี่พวกเราชอบกลับข้างกอะเราคิดว่าถ้าทําสมาธิแล้วจะมีความสุขที่จริงมีความสุขแล้วแหละทำให้มีสมาธิกลับข้างกันนะเพราะสมาธิละเอียดขึ้นไปเนี่ยไม่ได้สุขนะเป็นอุเบกขา สมาธิที่มีความสุขเนี่ยอยู่ในชา้นที่หนึ่งสองสเท่านชั้นที่สี่ห้าหกเดแดนี่ยเป็นอุเบกขาทั้งนั้นเลยแต่ว่าการที่เราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนั่นแหละทำให้ใจเราสบายใจสงบใจที่ไม่สงบเนีเพราะว่าเที่ยววิ่งหาความสุขทําไมเราต้องวิ่งไปดูโน่นไปฟังนี่ไปกินนั่นนะต้องคบคนนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะว่าเราอยากมีความสุขมีแฟนสักคนก็อยากมีความสุขใช่ไหม มีไม่ว่ามีแฟนสักคนเพื่อจะได้เรียนรู้ทุก <c oughs> ไม่มีเนาะมีแต่อยากได้ความสุขนี่ความสุขมันไม่อิ่มเงินไม่เต็มไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขนะเสียตังค์ไปดูหนังหรือไปซื้อวิดีโอมาดูนะไปดาวน์โหลดมาดูเสียสตังค์หวังว่าจะมีความสุขแต่ความสุขสั้นนิดเดียวพอดูหนังไม่ทันจบบางคนไม่สุขแล้วอยากไปทําอย่างอื่นต่อละไปหาของกินไปฟังเพลงทําอย่างโน้นทํานี้ ใจเราวิ่งพลานไปตลอดเลยวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริ้มรถวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจวิ่งพล่านพล่านพล่านไปเพื่อจะหาความสุขแต่มันหาความสุขไม่ได้จริงพความสุขในโลกนี้สั้นนิดเดียวนะนี้ถ้าเราสามารถมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขได้นะเช่นเราพุดโธแล้วมีความสุขเราก็พุดโธไมีเสียสตังหายใจแล้วเรามีความสุขแล้วหายใจไป คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดถึงไปคิดถึงทานคิดถึงศีลนะแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปหรือบางทีใจเราโกรธแค้นคนอื่นมากนะอาฆาตมากรู้สึกชีวิตนี้ยแย่หรือว่าบางช่วงชีวิตมีปัญหาหนักอะไรเนี้ยรู้สึกแย่แล้ ว, แ ย, แ, ลวแย่แล้วนะเราแค่คิดถึงว่าออชีวิตนี้มันก็สั้นนิดเดียวนะคิดถึงความตายไม่น่านเราก็ตายแล้วละ่ะเราจะเอาอะไรจริงจังกับโลกนักหนาเนี่ยพอเราคิดถึงความตายนะใจก็สงบลงมาไม่ฟุ้งซ่านมาก เนี่ยเรารู้จักคิดถึงสิ่งที่ดีๆนะคิดถึงร่างกายของตัวเองทุกวันนี้คิดถึงแต่ร่างกายคนอื่นใช่ไหมเปิดหนังสือดูก็าดูดารานะเปิดทีวีก็ดูนางเอกดูพระเอก ด, นอนดูอย่างน้นดูอย่างนี้สนใจคนอื่นอนะ่ะสนใจสิ่งอื่นต่ไปนี้แล้วมาสนใจร่างกายของตัวเองนะรู้สึกอยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปเลยๆนะใจมันค่อยสงบนะแต่ว่าเป็นบางคนบางคนดูแล้วกลัวผีนะ ทั้จริงผีอยู่กับตัวนะในแต่ละตัวเขามีผีโครงกระดูกอยู่ก็นะไม่กลัวแต่พอนึกถึงพอไปดูไปดูแล้วกลัวเนะี่ยบางคนจิตใจไม่ดีนะวุ่นวายมากเลยนะพอมาพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายหรือบ้ากลามมากเนะี่ยมาพิจารณาร่างกายเข้าไปใจก็สงบนะเนี่ยทำได้ตั้งเยอะแยะหรือว่าเราจเจริญเมตตาแทนที่เราจะคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นนะเรามาคิดถึงคนอื่นในทางที่เป็นมิตรเรียกว่าจเจริญเมตตา คิดไปคิดไปนะใจมันร่มเย็นเป็นสุขสมาธิมันก็เกิดเนี่ยวิธีทําให้เกิดสมาธินะั้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรยากเย็นเลยนักหนาหรอกนี้พวกเราส่วนใหญ่ได้ได้ยินเรื่องการเข้าฌานเรื่องการทำกระสีเรื่องอะไรนะั้นอันั้นสมาธิเต็มรูปแบบทํายากหน่อยพวกเราเอาสมาธิต้นๆแค่อุปจารสมาธิก็พอละหรือแค่คณิกะสมาธิก็พอแล้วนะยุคนี้มีคนทําอปปนาสมาธิได้ไม่มากหรอก ลูกสิธิ์หลวงพ่อที่สอนสอนมาเนี่ยทำได้อยู่สามสี่คนนะไม่มากหรอกนอกนั้นก็เป็นอย่างพวกเรานี่แหละพวกฟุงซ่านฟงซ่านเป็นอาพรนะฟงทั้งวันฟงทั้งคืนเราก็ฝึกให้ได้สมาธินิดๆหน่อยๆนะพอชื่นใจไปลองดูนะนี่งานแรกของการพัฒนาใจของเราเองพัฒนาให้มันมีความสุขมีความสงบอยู่กับตัวเองสบ้าง ไม่ใช่เที่ยวหาความสุขอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่มีจริงมีเดี๋ยวมีสั้นๆเดี๋ยวข้อความสุขนั้นก็หายไปเนี่ยเรามาพัฒนาให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ต่อไปข้างหน้านะวันข้างหน้าพวกเราที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยต่อไปก็แก่ถ้ามีบุญได้แก่นะบางคนคงตายก่อนไม่ได้แก่ถ้ามีบุญอยู่จนแก่ก็ก็จะได้รู้รสชาติของการอยู่คนเดียวตอนนี้อาจจะมีลูกอยู่ด้วย ถ้าไปลูกก็ไปที่อื่นหมดเลยไปทำมาหากินบางคนแย่กว่านั้นอีกลูกตายนี่แย่กว่านั้นอีกบางคนแล้วลูกทิ้งไปไปอยู่กับเมียไปอยู่กับสา ม, มีทิ้งไปเลยแล้วก็อยู่กันสองตายห่อยู่ไปอยู่ไปก็เหลือคนเดียวคนหนึ่งตายเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางทีฝรั่งนะก็ไปอยู่กับหมากระแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยไปวันวันคุยกับแมวแมวรู้ภาษาคนดีเลยเพราะฟังทั้งวัน เนื้ชีวิตนะจะเหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆนะพวกเรารุ่นพวกเรานี้แหละจะต้องเจอเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ใช่สังคมแบบครอบครัวขยายแบบโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอยู่บ้านเดียวกันเต็มไปหมดเลยช่วยกันทํานาช่วยกันทํามาหากินเป็นกิจการในครอบครัวอยู่กันได้พวกอันนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดงั้นวันหนึ่งพวกเราจะต้องอยู่อย่างเงียบเหงา ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจตั้งแต่วันนี้นะพอถึงวันนั้นน่ะเราจะมีความสุขเกอไปหมดเลยสบายเงียบนะเราได้ภาวนาของเราให้เต็มอิ่มไม่มีใครมายุ่งไม่งั้นเนี๋ยเราก็จะภาวนานะลูกก็ร้องอยากกินโน่นกินนี่อีกแล้วนะหรือนนจะชวนดูการ์ตูนชวนเล่นโน่นเล่นนี่เดี๋ยวสามีสกิด จ, จะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้นะเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเตรียมตัวไว้เถอะวันหนึ่งต้องเจอ ว่าหนึ่งต้องเจอเพราะสังคมของเราเป็นแบบนี้แล้วสังคมเปลี่ยนไปแล้วนี่งานแรกนะเสื่อเราชีวิตเราจะได้สบายงานต่อไปเกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจนะีฝึกให้ฉลาดบางคนก็คิดว่าเราฉลาดแล้วนะเป็นด็อกเตอร์ฉลาดในความหมายที่หลวงพ่อพูดหรือฉลาดในความหมายของพระเจ้าเนี่ยต้องพ้นทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่เรียกว่ายังไม่ฉลาดนะเพราะฉะนั้นจะฉลาดได้ต้องต้องพ้นจากความทุกข์จริงๆเลย ไม่ใช่แค่ทาสมาธิแล้วมีความสุขนะแต่สามารถมีความสุขอยู่ได้มีความสงบอยู่ได้โดยไม่ต้องทำสมาธิด้วยซ้ำไปใจนทรงตัวเด่นดวงมีแต่ความสุขสว่างสวายไม่มืดไม่บอดโปรงโลกงเบาไม่ต้องรักษาไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่ได้ใจที่หิวไม่มีใจที่หิวอย่างที่พวกเรามี พวกเราเราไปดูใจของตัวเองใจถ้าเราหิวตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากสัมผัสนว่นสัมผัสนี้ทางร่างกายนะเดี๋ยวก็อยากสนุกสนานคิดนึกอะไรเพลิดเพลิพนทางใจนะวันวันหนึ่งเนี่ยใจเราหิวตลอดเวลาอย่างตอนเช้าขึ้นมาวันนี้นึกได้วันนี้หลวงพ่อมาเทศที่ระยะเจ็ดนี่ก็หิวอยากมาฟังเทศนะ พอมาถึงเนี่ยหิวจริงๆแล้วนะท้องชักจะหิวบ้างแล้วท้องหิวก็อยากกินใจหิวอีกแล้วใจอยากนะถ้าใจอยากเมื่อไหร่ใจหิวเมื่อนั้นนะใจอยากใจหิวคือใจมีตัณหานะมานั่งฟังสักพักหนึ่งนะอยากให้เลิกแล้วเทสยาวไปนะน่าจะเทศนิดหน่อยฟังนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวต่อรอให้ห้างเปิดเนะนื้ห้างใกล้จะเปิดแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเทศนะใจหิวอะไรหิวจะไปเที่ยวศูนย์การค้าลนะเนี่ย เดีใจมันมีความหิวตลอดเวลานะสังเกตตัวเองไปวิธีที่จะทําให้ใจฉลาดนะก็ดูเ อ, อทาทอลักันนะวิธีง่ายๆเลยถ้าใจเราหิวขึ้นมารู้ทันใจเราหิวขึ้นมารู้ทันมันหิวทั้งวันแหละแต่ถ้าบางคนใจมันไม่ค่อยสนใจเรื่องใจมันอยากนะบางคน ข, ขี้โมโหเราก็ดูไปใจเดียเด๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นคนน้อยก็โมโหไม่เห็นใครเลยก็โมโห อ, อีกนะ มีไหมเคยเจอไหมหลวงพ่อเคยเจอนะคนแก่บางคนนะลูกหลานมาเยี่ยมนะข้อบ่นว่าโน่นว่านี่ทําโน่นไม่ถูกทําันนี้ไม่ถูกว่ามันทุกวันเลยชืญหลังวันหลังมันไม่เยี่ยมก็โกรธมันอีกนะใครมาเจอใครเดินผ่านหน้าบ้านก็เทียวบอกเขานะลูกหลานฉันมันเลวมันไม่เคยโผล่มาให้เห็นหัวเลยพอมันโผล่มาทีไรก็ด่ามันอีกนะสุดท้ายมันไม่มาเลย เราพ่อเคยเจอแนตะ่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบทํางานสังคมสงเคราะห์ประเภทคุณหญิงคุณนายอะนึกภาพออกใช่ไหมพวกคุณหญิงคุณนายอะนะต้องกรีดกลายนะต้องใส่แหวนนะอย่างถ้าพวกเราหัดเจริญสติขยับมืออะไรนี้ถ้าเป็นพวกนี้แล้วขยับอย่างนี้นะถ้าท่านี้ยังไม่เป็นอะไรถ้าท่าตรงนี้นะนะนะ น่วันหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าสามีนะกับลูกเนี่ยหนีไปจากบ้านนะแกเป็นคนช่วยสงเคราะห์เยาวยชนนะแต่ลูกก็ไม่ถูกกับแม่เลยไม่ถูกกันนะแล้วสุดท้ายทั้งสามีทั้งลูกหนีไปก่อนที่สามีจะหนีไปนะคือแกแกเครียดมาจากนอกนะต้องยิ้มหวานยิ้มหวานมากๆเครียดไหมเจอใครก็ยิ้มยิ้มอย่างเนี้ยนะทั้งวันเลยเครียดนะ กลับมาบ้านระบายเต็มที่เลยไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนระบายเต็มที่คนในบ้านเครียดคล้าๆคุณหญิงนี่คุณนายนี่เอาขยะเข้าบ้านทุกวันเลยนะสังคมสะอาดดูดีแต่ขยะมาอยู่ที่บ้านคนที่บ้านเครียดเครียดๆนะแล้วสามีเพื่อนๆก็มาบอกนี่เธอเดี๋ยวเธอจะมีปัญหาครอบครัวนะควรจะให้สามีเนี่ย ได้พูดอะไรบ้างได้ระบายบ้างไม่ใช่เธอพูดคนเดียวแล้วก็แหวกแวกผูกเขานะสามีนงียเงียบเลยสมเป็นช้างเท้าหน้ า, นาที่ภรรยาเป็นงวงช้างนะเออสามีนงเงียบจ้อยเลยนะ <c oughs> นี่แกได้ยินเพื่อนแนะนำํำให้สามีพูดซะบ้างมีอะไรเขาอาจอั้นนะให้เขาพูดเขาระบายแกบอกเอาแกก็เรียกสามีมาอคุณมีอะไรพูดไป สามีก็เริ่มเล่าผมรอวันนี้มานานแล้วรอวันที่จะพูดความอัดอัน้นปันใจของผมแกหันกลับมาแว้ดเลยอ้อไอ้แกเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้แล้วเหรอลืมไปนะสามีทนไม่ไหวนะทุดทายหนีไปหาลูกหนีไปนะมาหาหลวงพ่อนะมาคุยกับหลวงพ่อว่นจะทำยังไงดีบอกจะแก้ยังไงสามีกับลูกบอกไม่ต้องไปแก้เขาหรอกแก้ที่ตัวเองก่อนนอะดูใจที่มีโทสะ ใจเรามีโทสะนะเราจะเป็นระบาดใส่คนอื่นใช่ไหมหรือใจเรามีราคะเราจะเป็นตะครุบคนอื่นถ้าใจเรามีโทสะลักษณะของโทสะคือจะผลักผลักออกไปไม่ชอบสิ่งที่กําลังมีอยู่ลักษณะของราคะหรือโลภะจะดึงอยากได้ดึงเข้ามาลักษณะของโมหะคือจับอารมณ์ได้ไม่มั่นมั่วซั่วฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกหรือลังเลสงสัยนะ เนี่ยเราสังเกตที่ใจเราถ้าราอยากอบรมใจให้ฉลาดนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกสังเกตใจเราถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะเราก็คอยรู้ทันใจที่โกรธเวลาที่คนทั่วไปโกรธเนี่ยเขาจะไปสนใจคนที่ทําให้โกรธหรือไปทําสนใจสิ่งที่ทําให้โกรธอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นโยมนะบ้านกรุงเทมมันก็อยู่ ใ, ใกล้ๆกันนะ่ะติดๆกันหมดนะกลางคืนเนี่ยข้างบ้านมันจะมีหมาตัวหนึ่งกลางวันมันนอนก็คืนมันจะขึ้นมาร้องเพลงนะ เอาจทั้งคืนเลยนะเรากลางวันทํางานก็นคือเราจะนอนผลประโยชน์ขาดกันอย่างร้ายแรงเลยหัวนะใจนี่แค้นหมาตัวนี้มากเลยนะอยากจะกว้างหัวมันนะไม่รู้จะหาอะไรกว้างเนะนี่ยโทรสามขึ้นนะโทรสามขึ้นพ่อก็ดูเอาความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ทันนะความโกรธมันอยู่ชั่วคราวไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกเดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนที่เราโกรธเนี่ยเพราะว่าเราหมวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะสนใจไอ้หมาตัวนี้ วันนี้มันอยู่ที่ไหนวะทาไมมันไม่เห่าแน่พอมันไม่เห่าก็ไม่นอนอีกนะไปชชงโงกว่ามันหายไปไหนเออเพราะสนใจมันสังเกตเถอะเรารักอะไรนะเราก็สนใจอันนั้นเราเกลียดอะไรเราก็สนใจอันนั้น่ะนนนนนะแต่ถ้าเราอุเบกขาเราเฉยๆกับอะไรเราไม่รู้เลยอย่างสามีพนักงาแต่งงานนานๆนะอุเบกขาแทบทุกไลน์เลยพรรยาอุตสาหรรมผมสวยกลับมานะสามีไม่รู้เลย ภรรยาอุตสาห์เดินกลีดไกลผ่านไปมานะสามีเมื่อเดินทําไมมาควางจอโทรทัศนะ์เนี่ยเพราะอะไรอยู่มานานแล้วจนกลายเป็นโต๊ะตัวหนึ่งไปแล้นะเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้งั้นมันเฉยเฉยเฉยเฉยแล้วไม่สนใจนะไม่สนใจแบบลืมไปไม่ใช่ไม่สนใจแบบอุเบกขานะจริงจิงไม่สนใจแบบไม่สนใจไม่ลืมไปเลยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่รักเมื่อไหร่เกลียดนะจะสนใจ เวลาที่เราเกลียดใครสักคนนะเราว่าจะไม่นึกถึงเขาเราก็นึกถึงบ่อยรู้สึกไหมเกลียดมากมยิ่งนึกถึงมากรู้สึกไหมรักมากก็คิดถึงมากใช่ไหมเนี่ยใจเรานี่เองเพราะนั้นถ้าใจมันรักขึ้นมานะให้รู้ทันใจมันเกลียดขึ้นมาให้รู้ทันนะคือใจมันจะมีราคาก็รู้ใจมีโทสะก็รู้ถ้าละเอียดขึ้นไปนะใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ค่อยๆสังเกตใจไปเรื่อยการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดเอาอย่าไปนั่งคิดเอาไม่ได้จริงหรอก การจเจริญปัญญาเนะีคือการเห็นความจริงในร่างกายในจิตใจของตัวเองอย่างพวกเราเป็นคนเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธิเราจะดูกายนยีจะลําบากนิดนึ่งงั้นส่วนใหญ่หลวงพ่อจะแนะนําให้ดูจิตใจเพราะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกคิดมากคนคิดมากเนี่ยพอคิดเรื่องนี้มีสุขคิดเรื่องนี้มีทุกข์คิดเรื่องนี้โลบกรนหลงนะความรู้สึกมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปตาเรามองเห็น ความรู้สึกมันเกิดเรารู้ทันว่ารู้สึกอะไรนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดเรารู้ว่ารู้สึกอะไรนะเช่นได้ยินเสียงโทรศัพท์เรากาลังรอโทรศัพท์แฟนเราอยู่นะรอโทรศัพท์ได้ยินโทรศัพท์กริ้งดีใจนะหยิบ ม, มากลายเป็นเสียงคนอื่นนะจะมาทวงหนี้เราซะอีกนะโทรศัทรพท์มันขึ้นมาแทนใช่ไหยทีแรกดีใจทีนไม่พอใจแล้วแล้วบางคน เคยเจอไหมเพื่อนบางคนเนี้ยมันพูดไม่มีที่สิ้นสุดเคยเจอไหมเรื่องนิดเดียวนะมันพูดได้เป็นชั่วโมงเลยเนะี่ยพวกเนี้ยหลวงพ่อจะต้องมีข้ออ้างไว้หน่อยเดี๋ยวได้ไปทํานโน่นเดี๋ยวไดไปทํานี่นะจะได้เลิกเิกไปบางคนเนี้ยพอโทรศัพท์มาพอเราได้ยินเสียงนะีเราก็ลาคาญแลเคยเป็นไหมเนี่ยพอําคาญที่มาเรารู้ทันว่าลาคาญนะไม่ใช่ว่าฝึกว่าต้องดีไม่มีกิเลสนะอย่าไปฝึกให้ตัวเองไม่มีกิเลสมันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้ามีกิเลสเรารู้ทันแล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่ากิเลสนะมันมีเหตุมันกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็เกิดโทสะกระทบอารมณ์ที่พอใจมันก็เกิดราคะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหรือเราขาดสติมันก็หลงไปฟุ้งซ่านไปมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นี้มันเกิดแล้วเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปอย่างความรักเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย นี่เราสังเกตอยู่ที่ใจของเรานะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นของช่วคราวการที่เราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกในจิตในใจเราไปด้วยนี่เป็นการเจริญปัญญาแบบง่ายๆนะเหมอะกับคนในเมืองที่วันๆหนึ่งคิดทั้งวันนคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้พอคิดแล้วมันจะมีความสุขคิดเรื่องนี้มีทุกข์เห็นไหมคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกคิดคิดแล้วจิตเป็นกุศลนะเราชอบคิดทางจิตไม่เป็นกุศลมากกว่านะคิดในทางลบส่วนใหญ่ นีาพความรู้สึกใดเกิดขึ้นให้รู้ความรู้สึกใดเกิดขึ้นให้รู้ฝึกนี้เรื่อยไปพอรู้มากๆแล้วต่อไปปัญญามจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีก็ชัว่วคราวโลภโกรดหลงก็ชัว่วคราวรู้แล้วมันได้อะไรรู้แล้วมันจะคลายความยึดถือออกไปนะทุกวันเนี้ยที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมากนะเพราะเรารักสุขเกลียดทุกข์ หรือบางคนขยันภาวนานะพวกนี้รักดีเกลียดชั่วนะใจที่มันมีรักมีเกลียดเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่เลิกนะถ้าทางวิทยาศาสตร์เรียกมีความต่างสักเนี่ยจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาเนั้นใจเนี่ยจะวิ่งพล่านๆไปเรื่อยไม่มีความสุขจริงหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกอย่างเสมอกันหมดเลย งั้นเวลาเกิดความสุขไม่หลงยินดีเวลาเกิดทุกข์ไม่หลงยินร้ายเวลาเกิดกุศลก็ไม่หลงยินดีเวลาเกิดอกุศลก็ไม่หลงยินร้ายใจที่ไม่ยินดีใจที่มีมิยินร้ายเนี่ยจะไม่ปรุงแต่งต่อรู้แล้วจบลงที่รู้คําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดจากการที่จิตมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเสมอกันนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเงั้นการที่เราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยนะเป็นเรื่องดีนะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไป แล้ววันหนึ่งพอเห็นว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยใจจะหยุดการดิ้นรนเลยนะใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงถ้าฉลาดเต็มที่นะใจจะไม่มีความเคลื่อนไหวภายในอีกเลยนะสงบสงัดสบายไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอีกต่อไปไม่เหมือนการทําสมาธิการทําสมาธินั้นใจจะสงบอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมีความสุขอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่การเจริญปัญญานะเมื่อทําเต็มที่นะถึงเต็มจุดสุดขีดจริงๆแล้วเนี่ย มีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยท่านถึงบอกว่านาัตถิสันติพลังสุขขังความความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีที่ก็พูดถึงนิพพานังประมังสุขขังนิพพานกับสันติมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนิพพา น, นคือสภาวะที่สันติส่วนสภาวะที่เสียดแทงทุกวันนี้ถูกเสียดแทงตลอดด้วยความอยากรู้สึกไหมใจเราถูกเสียดแทงด้วยความอยากตลอด อยากดีอยากชั่วอยากอะไรขึ้นมาใจถูกเสียดแทงเท่งนั้นน่ะอยากฟังเทศก็ต้องมาแย่งกันนั่งใช่ไหมะจะต้องมาให้เร็วเมื่ถ้าเถื่อจะนั่งในนี้เธอต้องนั่งนอกห้องไม่เห็นหน้าหลวงพ่ออหน้านี้หน้าปลอมจำไว้นะนี่ไม่ใช่หน้าจริงหรอกนี่มันแค่วตัตถุนี่มันแก่ก้อนทานุถ้าอยากเห็นตัวจริงหลวงพ่อต้องภาวนานะไม่ไงั้นไม่รู้จักหรอกก็เห็นแต่ตัววัตถุค่อยฝึกนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้น ความชั่วอะไรที่เคยมีต้องมีกันทุกคนแหละก็ค่อยๆลดค่อยๆ ล, ละไปความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำไปฝึกจิตใจไปถ้ามันฟุ้งซ่านฝึกให้มันสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขในอารมณ์ที่ดีนะใจก็มีความสุขใจก็สงบแล้วก็ฝึกจิตให้ฉลาดรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปด้วยจนเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่เสมอกันเชิงจริยธรรมนะดีกับชั่วเนี่ยในเชิงจริยธรรมไม่เท่ากันแต่ในขั้นการที่เจริญวิปัสนากรรมฐานจะเรียนรู้ความจริงเนี่ยทุกอย่างเท่ากันหมดเลยสุขกับทุกข์เท่ากันเพราะว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันทุยทุกข์ปีบคันให้หมดไปเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหมือนกันดีกับชั่วก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันคำว่าเป็นอนิจจ์นะอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเหมือนกันอนิจจ์หมายถึงว่า สิ่งซึ่งเคยมีมันไม่มีถึงจุดหนึ่งมันไม่มีของเคยมีมันไม่มีนะสิ่งที่เป็นทุกขังคําว่าทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้ไม่มี <น passe. S 2> ถูกบีบคั้นให้สลายไปอย่างตอนเนี้เราอยู่ในอียิบยาบทนี้อียิบยาบทนี้อยู่ได้ไม่ตลอดอ่ะกำลังถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ตลอดเลยใช่ไหมมันบีบคั้นจนถึงจุดหนึ่งต้องเปลี่ยนอียิบยาบทอยู่ต่อไปไม่ได้ละหรือถ้าถูกบีบคั้นมากต้องเปลี่ยนภพตายไปไปเกิดเอาใหม่เนี่ย คำว่าทุกขังนะคือมันบีบคั้นสิ่งที่กําลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นให้หมดไปคําว่าอนัตตาก็คือสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่จะดับไปเนี่ยบังคับไม่ได้จริงมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชัว่วสุดท้ายเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเห็นว่าของเคยมีแล้วไม่มีนี่อ น, นิจจังของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้หมดไป นะแล้วจะของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้อย่างความโกรธจะมาหรือความโกรธจะไปสั่งไม่ได้เห็นไหมความกลุ่มใจจะมาหรือความกลุ้มใจจะไปสั่งไม่ได้กลุ้มใจอยู่เนี่ยสั่งให้หายได้ไหมสั่งไม่ได้อย่างนี้เรียกอนัตตานะเนี่ยเราดูลงไปดูลงไปดูไ ป, ไปจนใจยอมรับความจริงนะร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอันใดหนึ่งก็พอละนะเห็นอนิจจังก็พอเห็นทุกขังก็พอเห็นอนัตตาก็พอพอเห็นแล้วใจมันจะคลายความยึดถือออก มันจะไม่ยึดถือหรืออยู่ในกายไม่ยึดถืออยู่ในใจนะจิตจะเป็นอิสระจากร่างกายและจิตใจของตนเองเมื่อจิตมันเป็นอิสระจากร่างกายและจิตใจแล้วนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายแต่จิตไม่หวั่นไหวเลยหรือการที่เราจะพลัดพลากจากสิ่งที่รกักการจะประสบสิ่งที่ไม่รกักความไม่สมหวงังไม่สมปรารถนาต่างๆไม่ทําให้จิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวเลยนะจิตใจจะมีความสุขมีสันติสุขอยู่ภายในนะสบายมากมีความสุขมากนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะที่พวกเราควรจะเรียน ค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปนะเวลารู้สภาวธรรมให้เห็นสภาวธรรมเกิดดับเนี่ยให้รู้ด้วยใจที่เป็นธรรมดานะใจที่สบายๆไม่ใช่ใจที่แข็งๆผิดมนุษย์มนานะบางคนจะทำวิปนะัสสนาทำใจทื่อๆเียเียแล้วก็ดูกายดูดูใจไม่มีอะไรให้ดูทื่อๆไปหมดนะอย่างนั้นไม่เดินปัญญานะแล้วใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละดีที่สุด ใจที่เป็นธรรมดาดีที่สุดใจที่เกินธรรมดาเช่นใจที่ไปสร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมานึก อ, ออกไหมเป็นนักปฏิบัติต้องมีมาสที่ไม่เหมือนคนนะรู้สึกไหม <c oughs> ต้องเกินมนุษย์นะ่า ก, กินน้ำสักแก้วหนึ่งเนี่ยนะต้องเอื้อมมือไปหยิบนะชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้กินน้ำเลยไตายวายไปก่อนเลยนะมากไปนะจะเดินข้ามถนนนะั้นก็ยกเท้าไปเรยรถทับตายนะ ไฟไฟเขียวไฟแดงผ่านไปห้ารอบมนยังข้ามไม่ได้เลยไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นหรอกนะไปเดินช้อปปิ้งก็ได้ไปเดินช้อปปิ้งแล้วเห็นร่างกายมันเดินเห็นใจมันอยากโน่อนอยากนี่นะหรือเดินไปเดินมาคนมาเหยียบเท้าเอาโมโหรว่าโมโหแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วนะไม่ต้องดรจร์นะ <laughs> ไม่ต้องวางมานนะนักปฏิบัตินะใหง้ง่ายๆไว้ง่ายง่ายนะซิมเพิร์สลีฟ ดีที่สุดเลยมีคำอยู่คำนะ้นค ว, ว่าตะบะตบะเนะในพุทธศาสนุท ร, รมบางทีแปลซิมเพลไลฟ์เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้ใหเกินธรรมดาแล้วบอกว่าเป็นตบะนะไอ้นั่นทรมานตัวเองเอาละเทศพอสมควรกราบนะันะัมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะตื่นเต้นค่ะส่งการบ้าเป็นครัง้งแรก อ, อตั้งแต่หนูปฏิบัติของหลวงพ่อค่ะหนูเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเป็นานา ม, มารา <ละ S 2> ดีๆนี่เองค่ะดีตอนที่เราเห็นความจริงของตัวเองนะมันถึงจะเยียวยาได้ถ้าเรานึกว่าเราดีวิเศษ่งนมีชั่วอยู่แล้วเราไม่เห็นนะมันเยียวยาไม่ได้หรอกแล้วสังเกตไหมว่าใจเป็นเปลี่ยนเจ้าค่ะมันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นเนาะเจ้าค่ะมันทุกข์สั้นลงลค่ะดีทําถูกแล้วล่ะลค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฟงมากเลยอะค่ะ จิตเนี่ยนะมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมไม่ว่าจะภาวนาดีแค่ไหนนะยกเว้นพระอรหันต์หรอกนอกนั้นเนีะ่ะเจริญแล้วเสื่อมทั้งสิ้นเลยบางช่วงภาวนาสติสมาธิปัญญาดีบางช่วงไม่เกิดเลยฟุ้งลูกเดียวฟุ้งลูกเดียวทําไงก็ภาวนาไปปกติแหละฟุ้งก็ไม่เที่ยงาการกลัวอะไรฟุาาร้งซ่านนี่ <laughs> ให้แล้วไปดูไปทําต่อการนมัสการค่ะขอบคุณค่ะกลาวนมัตการหลวงพ่อนะคะ ก็เพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกก็ที่ว่าจะส่งนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อพูดมาให้หนูฟังหมดลวค่ะก็คือต้องกลับไปทำการบ้านใหม่ก็คือสี่ห้าค่ะเออสีนห้ารักษานะค่ะแล้วก็ใจเราเนี้ยให้เป็นธรรมดาค่ะนักปฏิบัติเนี้ยไปพลาดตรงที่พยายามทำใจให้มันดี่ะต้องเป็นคนดีไม่เครียดนะใช่ค่ะหลวงพ่อเครียด ไม่ดีก็ได้แต่ไม่ให้ผิดศี่ห้าแค่นั้นแหละทางใจเนี่ยเดี๋ยวก็กิเลสเกิดเดี๋ยวกุศลเกิดหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นดีะเราจะได้เห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปค่ะแล้วหลวงพ่อจะมีการบ้านอะไรเพิ่มอีกแค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่ถือสี่ห้าก็ยากแล้วไปเถอะไปทําเอาค่ะและชีวิตจะดีขึ้นนะค่ะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราลงมือทําแล้วเนี่ยพ่อว่าชีวิตเราดีขึ้นอ้าต่อไป กับนวัตกรรมหลวงพ่อค่ะก็ล่าสุดเนี่ยก็ปฏิบัติไปแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากจะดีแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกดนะคะหรือว่าบางทีก็ดึง<อ>ดึงจิตตัวเองค่ะแล้วก็เป็นลักษณะไม่แนะ่คือทั้งดูเอาไว้ข้างนอกแล้วก็เข้ามาดูใจตัวเองอย่างนี้ด้วยค่ะก็คิดว่าที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยพัฒนายอย่างนี้เข้าใจถูกต้องหเปล่าคะถูก ตรงที่เรารู้ทันปัญหาแล้วนนะใจมันจะพัฒนาขึ้นไปถ้าเราทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดนะไม่พัฒนานะกี่ปีก็ไม่พัฒนาอย่างบางคนปฏิบัติเนะี่ยไปรักษาจิตไ่นิ่งๆอุ้ยทาแทบเป็นแทบตายศีลก็ถืออะไรก็ทำนะเดินจงกรมหามลุ่งหามคำ่ำมันไม่เจริญนะเหนื่อยเปล่าๆ เ, เพราะมันเป็นตกไปข้างอัตตะกิลมัฐานโยคแล้วคือบังคับตัวเองบังคับใจให้เครียดเป็นอัตตากิลมฐ า, านโยคไม่เจริญ เ ร, เราใช้จิตใจที่ธรรมดาอย่างเวลาหลวงพ่ออสอนนะบางทีหลวงพ่อบอกอ้าก่อนจะทํากรรมฐานนะยิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะแบบดารายิ้มเก่งยิ้มในใจกํลาลังโมโหแล้วก็ยิ้มได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องยิ้มให้ใจมันคลายตัวให้คลี่ออกคิดถึงพัดได้ไหมพัดปี้ <c oughs> นี่ไม่ใช่ไพ่นะนี่พัดบางคนไว้คิดลายแทนที่ให้คิดถึงพัดนั้นพาไปคิดถึงไพ่นะ ให้ใจมันคลายเนี่ยใจอย่างคลายอย่างเนี้นะแล้วทากรรมฐานด้วยใจที่สบายๆอย่างนี้ยเช่นเห็นร่างกายมันกําลังยิ้มร่างกายมันยิ้มอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้ารู้สึกไหมถ้าเรารู้สึกด้วยใจที่คลายเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ้าวยิ้มก่อนทดลองยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลายจริงๆนะไม่ใช่ยิ้มแล้วำคำ ad, halfway, เครียดอย่างไอ้หนุ่มใสแว่นเนี Bei ้ยยิ้มแล้วเครียดไม่ได้นะยิ้มให้มันแหมมสบายใจ สบายใจแล้วเราเห็นในร่างกายกําลังยิ้มมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่ยิ้มไม่ใช่ตัวเราหรอกนะง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่ใจมันถูกเท่านั้นแหละถ้าใจมันผิดมันผิดหมดแล้วแล้วไงอ่ะก็เลยขาดการก็คือรู้ว่าตัวเองแบบเอแทรกแซงแล้วอะค่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าไม่เดินจงกรมไม่ทํำแรงเลยอย่างนี้ไม่ใช่รู้ว่าแทรกแซงแล้วก็ไปเดินจงกรมแต่เดินแล้วไม่แทรกแซง แม่งั้นมันก็เหมือนคนที่ไม่ภาวนาสิไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะแต่ไปเดินแต่ไม่ได้เดินด้วยโลภคนที่เดินจงกรมแล้วแทรกแซงเนี่ยเพราะใจมันโลภก่อนอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้โสดาอยากนอนอยากนี่นะพออยากได้ที่แล้วก็ไปเดินจงกรมถามว่าอยากเดินจงกรมไหมไม่ได้อยากเดินจงกรมแต่อยากได้อย่างนี้เรียกว่าโลภเพราะฉะนั้นใจในขณะที่เดินเนี่ยเดินด้วยใจที่โลภ นะใจเป็นจิตดวงนั้นเป็นโลภะมูลจิตดงนั้นตลอดสายที่เดินเนี่ยไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากโลภสติไม่เกิดหรอกสมาธิปัญญาไม่มีหรอกนะงนั้นเราอยู่ที่ใจที่เริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการพออนานาเนี่ยสำคัญนะเริ่มต้นแบบให้มันสบายๆนะแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากได้อะไรแล้วถึงเวลาเราก็ไปเดินนะมีความสุขเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นคนดูอย่างสบายๆมีความสุขไปแล้วถัดจากนั้นมันจะเกิดปัญญา เห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรือเห็นว่าเดินเดินอยู่จิตหนีไปคิดได้เองจิตไม่ใช่เราจิตหนีไปได้เองอย่างเนี้ยเดินปัญญาอยู่นะถ้าทําอย่างนี้ได้มันจเจริญ น, นะเอแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้ว่าจงใจแล้วเลยเลิกปฏิบัตินะไม่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเลิกหมดมันไม่มีใครเดินไปทําอีกไปก็ขอขอบขอขอบคุณหลวงพ่อที่ฝึกมาใช้ได้นะที่ฝึกมาใช้ได้ขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะดูออกไหม ค่ะขันแยกค่ะหลวงพ่อค่ะถอาขันมันแยกได้แล้วนะการภาวนาที่เหลือมันไม่ยากอ่ะแค่ว่าไม่ไปรักษาจิตให้นิ่งๆะปล่อยให้ให้ขันมันทํางานปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติเท่านั้นบางคนแยกขันได้แต่จิตมันนิ่งขันเคลื่อนไหวไปใจิตคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้ปล่อยให้ทั้งคู่นี้ทํางานไปแล้วรู้ไปสบายๆสุดท้ายมันปัญญาเข้าเกิดทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอก หลวงพ่อคราคำถามหนึ่งคือว่าเวลาที่เราเกิดสิ่งตกกะทมแล้วเราก็เกิด<ร>โทะนะสะขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมามันนานมากจนเหมือนเราทนไม่ได้ะคะ่ะเราก็เลยต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็พอกลับมาดูอีกทีเอา้ามันก็หายไปแล้วอย่างี้ถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอยก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านก็ทำเหมือนกันอย่างบางทีท่านเจอสาวราคามันแรงขึ้นมาท่านสู้ไม่ไหวท่านยังหนุ่มๆอ่ะสู้ไม่ไหวท่านก็หนี ย้ายไปอยู่ที่อื่นหลบหรือเราเจอคนนี้นะสติจะแตกแล้วกํลาลังใกล้จะตบเต็มทีแล้วนะแล้วเดินหลบไปก่อนนะอะมันก็ต้องทํำสงครามมันก็รู้จักตอนไหนจะบุกตอนไหนจะถอยนะตอนไหนจะตั้งรับก็ต้องรู้จักแหละแต่ถ้าเรามีกําลังพอแล้วก็ไม่ถอยเราก็ตั้งดูโทรศัพท์ของเราคุยกับเขาไปแล้วโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็รูอะไรอย่างนี้าน ก, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ มันเป็นกลางมากขึ้นค่ะลหลวงพ่อพอนาดีขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็เห็นสภาวะเขาทำงานไปอะคะอ่ะแล้วมันก็คลายความยึดถื อ, อในตัวเองแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นดูออกไหมรูออกค่ะพอตื่นเต้นเราเลยล็อกตัวรู้เอาไว้รู้สึกไหมออตัวรู้มันเลยนิ่งกว่าความเป็นจริงใช่ค่ะแต่ว่าตอนอยู่ในชีวิตประจาวันสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานไหมถึงบ้างไม่ถึงบ้างเออให้รู้ทันนะถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ดีอะ ถ้าจิตไม่ถึงฐานเราก็รู้ทันไปเดี๋ยวมันกลับเข้ามาถ้ามันไม่ยอมเข้ามาออกนอกไปจริงๆนะเราจงใจกลับมารู้สึกร่างกายไปเลยเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาที่จิตได้นะของคุณ ป, ปัญหาเหลือแต่ว่าจิตบางทีไม่ถึงฐานานานไปหน่อยมันมีอยู่ช่วงมันจะแบบมันจะลอยๆ อ, ออกไปมันจะมัวๆค่ะหลวงพ่อนั่นแหล ะ, ะหย้นะยอนกลับมาที่ร่างกายเลยค่ะนะนอะไปในภาพรวมใช้ได้นะ เราก็ฝึกให้ใจมันเข้าบ้า น, นแต่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาอยห็นไหมไม่ออกนอกนะแต่ไม่ได้รักษาไว้ภายในไปไปมามาฟังเราก็ยากอยู่ดีอ่ะอ้าวว่ามาการมากนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะพูดดังไหน่อยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงฟังหลวงพ่อมาได้สามเดือนแล้วเจ้าค่ะก็เออสามเดือนออทําได้อย่างนี้เก่งนะพยายามดูมตัวเองนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยค่ะมันมันก็จะวูบแล้วมันก็จะแบบเหมือนไม่อยาก เอออย่างนั้นใช้ได้นะมันวูบรู้ว่าบูบนะมันไม่อยากรู้ว่าไม่อยากน ะ, ะรู้ทันมันไปเรื่อยๆสังเกตไหมเวลา ก, กระทบมารมไม่่ทางตาทางหูทางใจมันมีการทำงานของใจขึ้นมาทุกทีค่ะก็ก็พยายามสังเกตตัวเองด้วยค่ะแต่ว่าก็เหมือนจะพอเกิดปุ๊บมันก็จะไม่รู้ตอนนั้นค่ะมันก็จะรู้ดีเลยไปบอกดีเลยหน่อยหนึ <to them> ่ง <to> ถ <them> ูกแล้วนะแต่ห้ามดีเลยข้ามวันนะใจโกรธ ระหว่างที่โกรธน่ยไม่รู้หรอกแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าโกรธเห็นความโกรธนะเพิ่งดับไปหางไหวๆอยู่อย่างนั้นแหละถูกกําลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธเนี่ยไม่มีเพราะขณะที่โกรธไม่มีสติเพราะั้นการดูจิตดูใจนะถ้าดูกิเลสไม่ได้ดูลงปัจจุบันขณะนะแต่เป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธรอบแล้วรู้ว่ารอบ มันจเป็นคําว่าโกรธแล้วโลบแล้วหลงแล้วมีคําว่าแล้วไม่เหมือนการดูกายดูกายนี่มีคําว่ากําลังกําลังเคลื่อนไหวกําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ารู้ลงปัจจุบันได้จริงๆเป็นปัจจุบันขณะเพรฉะนั้นการที่คุณเห็นว่าการดูจิตนี่ดูตามหลังนะถูกต้องแล้วไม่ต้องพยายามดูให้ทันนะไม่มีทางทันเลยเพราะว่าขณะที่กิเลสเกิดนะสติไม่มีแน่นอนกิเลสกับสติไม่เกิดพร้อมๆกัน ไปฝึกไปฝึกมาสามสี่เดือนทําได้อย่างนี้เก่งนะฝึกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่รู้ทันอย่างนี้เละแล้วชีวิตมันจะได้ดีขึ้นนะบางทีมันก็จะตลงไปบ้างก็อย่าให้นานนะครึ่งวันหลายชั่วโมงอะไรยังพอทนนะถ้าหลงหลายวันนี่ไม่ไหวอย่าหลงนานนะพวกเราต้องฝึกตัวเองให้มีสติเร็วที่สุดเลยนะเราไม่รู้ว่าเดินเดินแล้วลูกระเบิดจะลงเมื่อไหร่นะ เพราะฉะนั้นมันโป้งขึ้นมาเนี่ยขนาดที่นั่นอ่ะคนทั่วไปตกใจเนี่ยมนโป้งขึ้นมานะใจเราดีดผางออกมาแล้เป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายหัวขาดกระเด็นไปโน่นอย่างงี้นะ อ, อย่างนั้นมันถึงสู้ไหวนะแล้วค่อยๆฝึกเอาเราฝึกสติให้รวดเร็วรู้เนื้อ ร, รู้ตัวให้เร็วอย่าให้หลงยาวถ้าหลงยาวแย่เลยนะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะไม่รู้จะโดนอะไรเมื่ อ, อไหร่ดงนั้นต้องเตรียมความพร้อม สมัยก่อนนะีหลวงพ่อฝึกตัวเองเนะยเวลาที่จิตเหลอไปหรือจิตไปจับอารมณ์อะไรอยู่เนี่ยจะพยายามฝึกให้รู้สึกตัวนะจิตถอยออกมาเป็นผู้รู้โดยโดยที่ไม่ได้บังคับนะเนี่ยจะฝึกให้ได้ในสามวินาทีกะว่าถ้าลดกว้างเนี่ยนะมีเวลาสองสามวินาทีเนี่ยเอาตัวรอดแต่เดี๋ยวนี้มาเจอเคสอย่างลูกระเบิดเนี่ยนะสามวินาทีถ้าจะช้าไปและวนะต้องฝึกให้เร็วกว่านั้นอีกนะ ไปทําไปใช้ได้ที่ฝึกมาอนุโมทนากราบขอบพระคุณครับนรมาส ก, การหลวงพ่อครับเคยฟังหลวงพ่อตอนช่วงส่งกันบ้านนะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่มันไหวๆอยู่ตลอดเวลาครับก <c oughs> ่อนหน้านี้พอดีเห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเคยเคยฟังหลวงพ่อบอกว่ามันจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะนานอยู่นานแต่ว่า ผมสังเกตตัวผมเองเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงสั้นๆไม่นานแล้วมันก็หายไปแต่ว่าความเข้าใจของผมเองเนี่ยอาจจะเกิดจากที่ผมทําในรูปแบบบ่อยนะครับตอนเช้าตอนตื่นแล้วก็ตอนกอดนอนถูกแล้วนะถูกแล้วไม่ต้องนานหรอกนานเพราะสมาธิไม่พอครับแล้วมันเป็นลักษณะยังไงครับหมายถึงจิตต อ, ตอนนี้นะคือจิตมันมันไม่เข้าไปวุ่นวายไอตัวที่ไหวหๆนะ มันไม่ได้ใส่ใจมันสนใจจะรู้สึกร่างกายรู้สึกอะไรมันก็รู้สึกของมันไปหรือมันจะสนใจที่ความรู้สึกต่างๆมันไม่ได้สนใจตัวนี้เื่อจิตไม่ได้ใส่ใจไม่มีมนัสสิกาในสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วแต่เห็นอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะพอดีปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มจากดูดูจิตที่มันไหลไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ปัจจุบันผมเข้าใจว่าผมเห็นธาตุขันเนี่ยมันทางานได้ถูกแต่ว่าเพรานาถูกนะเข้าใจว่ายังปฏิบัติไม่พอใช่เหลือนั้นเดียวก็สะสมไปเรื่อยๆถึงเวลาพอเนี่ยอริยรมรรคจะเกิดเอง <นะ S 1> สังเกตไหมว่าจิตเนี่ยมันลดความดิ้นรนลงนจิตมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นแล้วเริ่มเป็นอุเบกขามากขึ้นนะแต่มันยังไม่อุเบกขาเต็มที่ บาทีมันยังแฝงความอยากไว้ะอยากจะบัตรลุ่ยยังมีอยูน่นี่มันก็จะสะสมของมันไปเรื่อยจนมันพอนะมันหมดความดิ้นรนหมดความอยากเลยมันเป็นอุเบกขาจริงๆคําว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะจะเกิดขึ้นถ้าถึง จ, งจุดนั้นเริ่มบารมีที่เต็มแล้วทำให้จิตเนี่ยก้าวไปสู่อริยมรรคของคุณใช้ได้เลยนะดีเนี่ยฝึกมาได้มาตรฐานเลยเพราะว่าเริ่มมาจากการที่เห็นจิตเคลื่อนไป ตรงนี้ยสำคัญนะหลวงพ่อสอนแทบเป็นแทบตายบางคนไม่ไม่สนใจตรงนี้เลยถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนะี่ยสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดนะใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่นี้โดยไม่ได้รักษาตัวนี้สําคัญนะแล้วมันจะเห็นขันมันทํางานของมันเองเนะถ้าเห็นมากพอเนะี่ยใจมันก็วางก็แค่นั้นแหละง่ายไปทําหน้ามาได้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับขอบพระคุณครับไปทำต่อไป เวลาเราพอนานะครูบาจารย์เนี่ยเรื่มใจนะมีความสุขมีปีติตัวที่จะเลี้ยงธาตุขันไว้ก็คือตัวปีตินั่นแหละนะครั้งหนึ่งสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะนานมากแล้วสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วไปกราบหลวงพุทธเทศตอนนั้นหลวงปู่ ด, ดูลสิ้นไปแล้วประมาณปีสองเจ็ดนละถ้าไปกราบหลวงพุทธเทศได้ส่งกันบ้านนะ เวลาเข้าไปเนี่ยพระอุปถาคท่านจะยังไม่ให้หลวงพ่อส่งกันบ้านนะเวลาเปิดมวนดบให้ให้เข้าไปกราบท่านนะให้หลวงพ่อไปหลบอยู่ข้างๆก่อนแล้เอาคณะที่หนึ่งเชิญมากราบหลวงปูนี่ก็บรรยายนะคณะนี้ชื่อนี้นนกลุ่มนี้เอาเชิญกราบกราบเสร็จอถวายของอเชิญกลุ่มนนท์กลุ่มนี้มานะพอหมดแล้วอหลวงปูจะพักพรปิดประตูแล้วไล่ออกไปหมดแล้ว ให้หลวงพ่อถามหลวงพ่อถามกรรมฐานหลวงปู่แล้วถามตอบถามตอบกันนะท่าน่าชเริงตอนหลังออกมาจากท่านแล้วเนี่ยตอนเย็ น, นยมาเจอพระอุปถักค์นอกกุฏิท่านก็บอกว่าสนวกพ่อก็บอกกับพระอุปถักค์ว่าโอหลวงพ่อเรียนกรรมฐานกับปูบาอาจารย์ อ, องค์ไหนนะ่ะไม่สาใจเหมือนเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยชํานาญเรื่องสมาธิมาก คุยอะไรกันได้วิริศมาลามากเลยนะบอกว่าเรียนกัองค์ไหนนะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีองค์ไหนเนี่ยตอบคําถามได้ถึงใจอย่างนี้เทวดาท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยพอคุณออกมาแล้วหลวงปู่เขาบอกไม่มีใครถามได้ถึงใจอย่างนี้ <laughs> ไม่มีถ้าหากมีมลูกศิษย์อย่างนี้หลายๆคนนะหลวงปู่จะอายุเกินร้อยปีเลยตนะ้องแนี้แต่เพิ่นมีน้อยเลยได้เก้าสิบกว่า <laughs> งั้นเราภาวนานะเนื่อคือสิ่งที่ให้หลวงพ่อดีที่สุดเลยอ่ะว่าไปกับนิมัสการหลวงพ่อค่ะ อ, อหนูส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จากที่หนูได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ mm hmm. แล้วหนูก็ลองนั่งปฏิบัติดูเ อ, อครั้งแรกที่นั่งปฏิบัติอะคะ่ะมันก็เห็นกายกําลังหายใจเข้า mm hmm. แล้วก็หายใจออก mm hmm. ค่ะ mm hmm. แล้วก็แป๊บหนึ่งเนี่ย จิตมันก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็หนูก็เลยเหมือนรู้ใช่ไหมคะมก็เลยนึกถึงคําหลวงพ่อว่าเอ้ยเหมือนเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆใช่ค่ะก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งสิ่งที่หนูสัมผัสได้เนี่ยคือมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนเร็วมากอะคะ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าจริงรจรงที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ธรรมะที่ล่าช้านะเป็นไม่เนิ่นช้าอะไรเงี้ยถ้าเรารู้หลักปฏิบัติที่ถูกแล้วลงมือทําแป๊บเดียวก็เห็นแล้วละแต่อยู่ที่ว่าความดื้อเราจะขนาดไหน บางคนพอเห็นความจริงสองสามทีนะจิตยอมรับความจริงแล้วตัดแนละแต่บางคนจิตมันตื้อก็ใช้เวลาเห็นบ่อยๆหน่อยนานหน่อยเพราะฉนั้นช้าเร็วเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนช้าบางคนเร็วขึ้นกับว่าบา ร, รมีแก่กล้าแค่ไหนอินทรีย์แก่กล้าก็าไปเร็วนะแล้วก็ปกติหนูปฏิบัติโดยการที่รูลมหายใจเข้าออกอะใช้ได้ค่ะแล้วเราใช้ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตเราไม่ใช่รู้อยู่ที่ลมเห็นไหม เราแค่มีลมเป็นแบ็กกราวแล้วจิตเป็นยังไงขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วเป็นสุขรู้ทันหายใจแล้วเครียดเครียดขึ้นมารู้ทันอย่างนี้เรียกว่าหายใจเป็นนะนี่พอนาเป็นมีลมหายใจเป็นแค่แบ็กกราวตัวที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือจิตนั่นเองเราดูต้องปฏิบัติเพิ่มเติมยังไงทำอย่างนี้แหละทำไปทำถูกแล้วล่ะนี่ ฟังซีดีสามสี่อาทิตย์นะทําได้ขนาดนี้เก่งนะตามสี่อาทิตย์ค่ะที่ปฏิบัติเราเราเจอแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณสามถึงสี่เดือนแล้วเออใช้ได้แล้วสามเดือนก็ยังเร็วเลยห <c oughs> ลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ ด, ดูล น, นะไปฟังทำท่านครั้งแรกท่านสอนให้ภาวนานะมาภาวนาสามเดือนแล้วไปส่งกันบ้านท่านบอกภาวนาผิดไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ภาวนาผิดให้ไปทําใหม่ให้ไปดูมาดูอีกสี่เดือนนะ ใช้เวลาไม่มากหรอกการภาวนาะวันนี้ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะมากไห ม, มา ก, การนมัสการหลวงพ่อนะคะก็หนูก็ปฏิบัติก็จะยืนนั่งค่ะเป็นประจัอะไร น, นะหลวงพ่อไม่ได้ยินพูดดังๆเออหนูจะยืนปฏิบัติแล้วก็นั่งค่ะเป็นประจําทุกวันออแล้วก็เพิ่งเพิ่งมาฟัง จากพี่ค่ะเขาแนะนําของหลวพ่อเลยมาฟังก็ดูวิธีการปฏิบัติค่ะก็ดูลมหายใจเข้าออกอืถามว่าเออเป็นคนที่จะโทรศัพท์ค่อนข้างเยอะค่ะแต่พอเหมือนโทรศัพท์มาค่ะผ่านไปค่ะเราก็จะเหมือนกลับมาเฮ้ยโทรศัพท์มันผ่านไปแล้วนะเหมือนมันเร็วขึ้นนะคะเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นคนที่เไปก็เมืจมไว้ใช่ค่ะจมไว้เอาไปเก็บไว้ตลอดอพอนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นมันไม่ได้ต้องข้ามคืนข้ามวันก็ โทสาดูง่ายที่สุดแล้วล่ะนะงี้เวลาเรารู้ลมหายใจนะรู้ได้ใจที่สบายๆดูเล่นๆสบายๆแล้วใจเราเป็นไงเรารู้ทันไปอยากให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อแนะนําเรานั่งสมาธิซินั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิไม่ชอบนั่งดชอบยืนกับนั่งเหรอเอาอะไรก็ได้ยืนหรือนั่งก็ได้ทําให้หลวงพ่อดูหน่อย ทำเหมือนทำจริงๆลืมหลวงพ่อไปตรงนี้เรารวบจิตเข้ามาแล้วนะตรงนี้ที่ผิดรู้สึกไหมเราดึงจิตเข้ามาไม่เอาแต่นี้ไม่เอาเราใช้จิตธรรมดาเนี่งยลองนั่งนั่งซะงอย่าให้จิตมันทื่อๆอย่างติกีนะใช้ใจธรรมดา ย, ยิ้มหวานก่อนอย่าลืมหลักสูตรอย่างนี้เรียกยิ้มแย่ หน้ายิ้มหวานนะแต่ใจยิ้มแย่ตื่นเต้นเออเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้ที่ผิดละคือไปดึงเข้ามาอย่าดึงนะไปหันใหม่ไปแล้วสมาธิจะดีขึ้นสมาธิอย่างนี้เครียดเกินไปแล้วฝึกไปแล้วโมหะจะแทรกแล้วดีไม่ดีกระทบสมองนะเราเพ่งใส่เข้าไปเนี่ยสมองมันถูกกระทบกระเทือ น, อนาบางคนฝึกสมาธิจเนเกือทั้งเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์เลย อ่ะบ้ามาการนมัสการหลวงพ่อครับเอเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกครับผมก็จะมีการปฏิบัติอย่างเอไม่ตออ่อเนื่องนะครับทุกครั้งที่เราปฏิบัตินะครับพอเรารู้จิตเราอะกายเราจะรู้สึกว่าโน้มตัวไปด้านหน้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามดึงไม่รู้ว่าการทําอย่างนี้มันถูกต้องหรือเปล่ากายมันจะเป็นเงินเขาช่างมันมกรรมาฐานเป็นงานของใจ หลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะนั่งสมาธิฝึกมาเริ่มต้นมาด้วยกันกันกบหลวงพ่อไปอยู่ในวัดป่ากับครูบาอาจารย์แกนั่งเรียบร้อยนะแต่แกเรียบร้อยไปเดี๋ยวเดียวพอจิตแกรวมนี่ก็ทิ้งร่างกายเลยแกนั่งเอียงไปเอียงมานะเท้าแกก็ยืดออกมายืด <c oughs> ยืดแบบนั่งโอ้ยสบายมากเลยคนก็มองแล้วหัวเราะครูบาอาจารย์เตือนอย่าหัวเราะเขาบาปนะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรง นั้นจุดสําคัญอยู่ที่จิตออกไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่าเป็นนั่งอย่างหลวงพ่อคูณก็ได้นะขอให้จิตโตรก็ใช้ได้อย่าขาดสติเท่านั้นแหละเพราะว่าทุกครั้งที่เราพยายามดึงกลับมาสติก็จะมันก็ทิ้งมันไปเลยก็เห็นร่างกายมันลงไปนั้นอนะ่ะเราก็รู้ทันใจของเราใจอยากดึงคืนรู้ว่าอยากดึงคืนะรู้ทันใจเลยมันจะนั่งไม่สวยก็ช่างมันแต่ใจดีก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับ หลับน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะ เ, เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะที่ี่ดีมากเลยนะมีแต่คนส่งการบ้านครั้งแรกชอบชอบอะ่ะบางคนนะส่งซ้ำซร้างภนะาวานา น, น้อยส่งเยอะอันนี้ว่ามา อ, อ, อยากอยากสอบถามว่าที่ทำอยู่สังเกตไหมว่าขันมันเริ่มแยกรู้สึกไหมกายกับใจมันโคลานรู้สึกไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โคลาน ขันมันเริ่มแยกแล้วละ่ะเนอะแต่เมื่อขันแยกแล้วเราก็รู้ขันมันทํางานไปด้วยใจสบายๆเราไม่รักษาให้คนดูนะเดีย๋ยวตอนนี้มันตื่นเต้นก็นเลยล็อกตัวดูไว้ใช่ไหมตัวดูต้องให้เป็นธรรมชาติแต่ต้องระวังเหนื่อดูไปดูไปบางทีใจไปว่างๆอยู่ข้างนอกถ้าใจไปว่างๆอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้นะกลับเข้ามาหาตัวเองใหม่กลับมารู้สึกในร่างกายใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาที่จิตเข้าฐานนะแล้วทําเวลาในระหว่างวันนะคะบางทีจะเผลอเผลอบ่อยมาก ก็เลยใช้วิธีดึงกลับเข้ามาอยู่ที่ความรู้สึกตัวแต่ว่าหนูจะดึงมาไว้ที่เท้าเพราะว่าหาจุดแค่จุดเดียวทําอย่างเงี้ยูกบลึกยังก็อย่าดึงจนเป็นนิสัยก็แล้วกันะทุกคราวที่ดึงน่ะอัตรากิลมตฏฐานโยโยก็เกิดขึ้นอแต่อย่างนี้ก็คือถือว่าใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้แต่ตรงที่ดึงเป็นสมถะนะเรารู้ว่าเราดึงอยู่แล้วพอรู้ทันเนี่พอใจกลับเข้ามาแล้วมันคลายออกก็พอดีอย่างนั้นใช้ได้ แต่ถ้าดึงแล้วก็จ่ออยู่ที่เท้าตลอดในเท้าก็ดุกกระดิเลยรู้หมดเลยรู้แต่เท้านะมีใช้ไม่ได้ขอบคุณค่ะมมาสการครับหลวงพ่อก็คือก่อนหน้านี้ดูดูแต่จิตอย่างเดียวครับแล้วก็เคยรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นไตรลักษณ์บ้างเมื่อหลายปีมาแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติในรูปแบ บ, แบ<ม>ก็ใช้เดินใช้ใช้รู้สึกตัวทางร่างกายเอาทีนี้มันก็รู้สึกว่าร่างกายมัน คือขยับแขงขยับขามันก็รู้สึกว่ามันขยับอยู่นะครับแต่มันก็รู้สึกอยู่อย่างนั้น อ, อย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ลงว่าไตรักหรือว่าเป็นอะไรยังไงผมก็แค่รู้สึกว่ามันขยับแล้วก็แต่ว่าก็โดยรวมก็รู้สึกว่ามันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้น่วามันท <ำ S 1> ําอยังไงก็ถูกแล้วนะถ้รารู้สึกกายไปก็ได้เพราะว่าราคาเราแรงดูกายยันก็เหมาะอยู่นะเราก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปนะไม่ไม่ต้องไปทําอะไรหรอก บางบางทีอย่างเวลาขยับขับรถอยู่อย่างเงี้ยครบางทีมันก็ไปรู้สึกถึงมือซ้ายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะดูว่าแบบอยู่ๆมันก็รู้สึกขึ้นมาเองมันจิตมันไปรู้สึกอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยมันอย่างนี้ดูได้ไหมครับได้ะแต่ถ้ามันอยู่แค่นี้นานๆไปนะก็ต้องช่วยมันนิดหนึ่งคือช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแขนนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราะหรือว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องรอให้มันรู้สึกขึ้นมานะนั่งอยู่ก็ลองสัมผัสดู เนี่ยลองนวดมันไปนั่งนวดตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นในใจนะว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุนะนี่เป็นการนำร่องให้จิตมันหัดดูไตรลักษณ์แม้มันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆนะคือหรือว่าผมควรจะกลับไปดูสต่จิตอย่างเดียวเลยคือการปฏิบัติเนี่ยไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะ่ะ ม, ม, มันมีตอนเริ่มต้นเท่านั้นแหละเพราะว่าการจะดูกายนะใครเป็นคนดูจิตก็เป็นคนดูนะ แล้วจะดูจิตอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้จิตมันเปลี่ยนเมื่ อ, อไรเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ด้วยใช่ไหมเมื่อมันเวลาเห็นมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วเห็นแต่ว่าตัวใดจะเด่นก็รู้ตัวนั้นที่จริงแล้วเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตเราดูไตรลักนะงั้นถ้าความรู้สึกเด่นขึ้นมาก็รู้ความรู้สึกไปถ้าความรู้สึกเฉยเฉยดูร่างกายไปมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะอย่าไปดูกายแล้วแช่ยอยู่ที่กายไร้สาระมากเลย ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะบอกว่าหลวงปู่ดูนเคยสอนว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตน ะ, นะดูกายเพื่อจะมารู้ทันจิตนะหลวงปู่สุวัสดิ์ก็เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกุศลกุศลเกิดที่จิตทั้งนั้นเลยนะมรรคผลเกิดที่จิตทั้งนั้นนะไม่เกิดที่กายหรอกบอกถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำสมถนะทาความสงบเข้ามาพอมีแรงก็กลับมาดูต่อเพราะงั้นถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่เห็นก็มาดูกายนะไม่ใช่เอาแทนที่จะพัฒนาไปรู้ทันกิเลสะไรนะกลายเป็นดูกายอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติเนี่ยใจมันสบายขึ้นมานิดนึงรู้สึกไหมนะเพราะว่าวางหม่ไปแล้วนะใจคลายออก แต่มันยังประคองอยู่ข้างในรู้สึกมหมยอังมีประคองอยู่รู้ว่าประคองนี่คือการดูจิตนะนี่ไม่ใช่การดูกายเพราะฉะนั้นจริงๆถนัดดูจิตก็ดูไปนะดูจิตไม่เห็นก็ดูกายถ้าดูอะไรก็ไม่ได้ก็พุโทโธไปหายใจไปทำสมถ ะ, ะคนสุดท้ายนวัตการค่ะอันนี้เป็นส่งกันบ้านครั้งที่สองครั้งที่แรกครั้งแรกประมาณสองปีที่แล้วนะคะพอประมาณส่งทุกวันไม่ไหว ก็ปฏิบัติในชีวิตประจาวันอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นที่รู้ว่าอาจจะแพ้ทางของตัวเองก็คือว่าทุกครั้งที่เห็นสิ่งว่าข้างในไม่ดีเนี่ยจะมีโทสะที่ค่อนข้างเป็นปฏิฆามากนะคะแล้วข้างในมันก็เหมือนกึกกักกึกกักกึกกักในปฏิฆาที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเวลาจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยข้างในมันมีแรงดันดันดันตัวดันนั่นแหละตัวตันหาดันอยู่ตลอดในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูตัวนั้นนะเวลาพอนานถ้าเห็นตัวนี้ได้บ่อยๆก็ดูตัวนี้แหละแล้วก็จะเห็นนะตัวนี้ดันได้เองใช่ไหมดันเองแล้วก็ถ้าเรารู้ไม่ทันก็ครอบงําเราถ้ารู้ทันมันก็หายไปมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดได้เองดับได้เองสั่งไม่ได้ แล้วเลยขอคุณแม่ตาหลวงพ่อว่ามีอะไรแนะนำนี่ไงดูไปถ้าดูตัณหาได้ก็ดูไปมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดเองดับเองนะนั่นแหละปัญญา <c oughs> อย่าลมปัญญานะหมดแล้วละนะพอสมควรเก็วเวลารับนผะนะ่อนนะเดี๋้ถามวารีวหาปุราปริปูเรนตีสาครางัง เอวาเมวาอิตโตทินังเปตานังอุปกำปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาฉันโทพันรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพีิโยวิวัชันตุสัพรโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนะศีลิสนิจังุทธาปจายโน จตารโหธรรมาวทันตีอายุวโนสุขังพระลังหลวงพานุโมทนานะกับทีมผู้จัดนะกับพวกเราด้วยทุกคนอุตสาหมาฟังธรรมตอนเช้าๆ